เราเยอะนะที่มาเห็นหน้าซ้ําๆสังเกต น, นะฟังหลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆนะสติมันจะเกิดมันจะพล่อยเกิดเองแหละหลายคนฟังหลวงพ่อแล้วงงๆพูดอะไรวนไปวนมาฟังไม่รู้เรื่องฟังไปว่าฟังมาถึงจุดหนึ่งพอสติมันเกิดนถึงจะรู้เรื่องธรรมะมันรู้เรื่องไม่ได้ด้วยการฟังหรอก ถ้าเมื่อไหร่สติเกิดขึ้นมาก็าจะเข้าใจเลยลรูปธรรมนามธรรมสอนธรรมะเราทั้งวันกายกระใจสอนธรรมะเราทั้งวันหลวงพ่อสอนให้ไม่ได้นะธรรมะธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้ก็คือวิธีที่ทําให้สติเกิดขึ้นมากับวิธีเจริญปัญญานะวิธีเจริญสติวิธีเจริญปัญญา วิธีให้สติเกิดถ้าหัดรู้กายหัดรู้ใจไปนั้นหลวงพ่อจะเทศบวนเวียนในเรื่องกายเรื่องใจเวียนไปเรื่อยฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังครั้งแรกไม่รู้เรื่องยากนะที่จะฟังหลวงพ่อรู้เรื่องอ่ะยากต้องฟังหลายครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยแล้วคนไหนฟังไปคิดไปวิเคราะห์ไปวิจัยวิจารณ์ไปนะเปรียบเทียบไปเรื่อยฟังกี่ปีก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ทุกคนฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะ มีบางคนพบกันมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบหกยี่บเจ็ดปีอะไรเนี่ยยังไม่รู้เรื่องก็ยังมีไม่ไม่ใช่ทุกคนรู้เรื่องทําไมพวกนี้ไม่รู้เรื่องพวกนี้ไร้เกินไปฟังแล้วก็วิเคราะห์วิจัยวิจารไปเรื่อยนะศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยเทียบกับอาจารย์โน้นเทียบอาจารย์นี้เทียบปริยัตเทียบอะไรนะไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องหรอกอยากเรียนธรรมะให้รู้เรื่องต้องรู้นะธรรมะอยู่ที่ไหน ธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะธรรมะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรากายเรียกว่ารูปประธรรมนี่ธรรมะเรียกว่ารูปประธรรมจิตใจเรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจตัวเองเนี่ยถ้าละเลยกายละเลยใจตัวเองไม่มีวันเข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อพูดหรอกธรรมาที่หลวงพ่อพูดธรรมะเฉพาะตัวหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้รู้กายรู้ใจตัวเองนี่เองแรก เรียนกับหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตดูจิตก็คือดูกายดูใจหลายคนเตลิดเปิดเปิงไว้นะไปดูความว่างเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วไปดูความว่างหลวงปู่ดูลไม่เคยสอนนะท่านสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้ท่านสอนให้ดูปลายทางชี้ปลายทางให้ทราบเท่านั้นเองส่วนต้นทางของการปฏิบัติท่านไม่ได้สอนให้ดูความว่างท่านบอกว่าให้ดูจิต ให้ดูจิตนะไม่ได้ให้ดูความว่างคนละเรื่องเลยหลายคนบอกว่านับถือหลวงปู่ดูลตอนนี้ผมดูแต่ความว่างนั่นไม่ใช่หลวงปู่ดูลแล้วไม่ใช่ศาสนาพุทธด้วยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้ดูความว่างท่านสอนให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมธรรมก็คือรูปกัะนามกายกระใจนี่เองไม่มีนะสุญญตานุัสสนาอะไรย่างนี้ไม่มี น้นต้องดูกายต้องดูใจกายเราเป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมใจเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมดูเพื่ออะไรดูไปเรื่อยๆดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญามีปัญญานะพระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสิ่งอื่นแต่ด้วยปัญญา ปัญญาก็เกิดจากการที่เรามีสตินะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจนเราเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจกายนี้ไม่เที่ยงนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บางสุขบ้างนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอย่างนี้จิตใจก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนจิตใจเป็นทุกข์คือทนอยู่ในภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตาคือบั ง, บงคับไม่ได้ก็ เ, เห็นซ้ำๆซ้ําไปอย่างเนี้ ทำไปจนวันหนึ่งใจมันยอมรับมันยอมจำน้นกับข้อเท็จริงมันฝืนความรู้สึกอย่างรุนแรงเลยที่จะบอกว่าตัวเราไม่มีมันฝืนอย่างแรงเลยเพราะเราพอกฟูนความรู้สึกว่ามีตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วอนเกิดก็มีตัวเรานะนเกิดมาแล้วก็มีตัวเราพอกฟูนทุกวันทุกวันเวลาเรามองเห็นเราก็เห็นคนเห็นสัตว์มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมาเวลาเราฟัง ก็มีเสียงคนเสียงสัตว์เสียงโน้นเสียงนี้ขึ้นมามีเรามีเขาขึ้นมาอีกงั้นเราจะพอกพูลความเห็นผิดตลอดเวลาคิดก็รู้สึกไหมในนี้เราอย่างนู้นเราอย่างนี้ตลอดนะใช้สัรพนามเม่อไงเวลาคิดข้างในบางคนใช้กูนะกูอย่างงู้นกูอย่างนี้ออบางคนสูภาพไหนเรายัางงู้นเราอย่างนี้ออของหลวงพ่อนะแต่ไหนแต่ไรมันชอบพูดเรายัางงู้นเราอย่างนี้นะของหมอหลี่ใช้อะไรข้าพเจ้านะ ไม่ค่อยมีนะถ้าพระเจ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะทํามหลายคนบอกเรายังวนเราอย่างนี้นะมันรู้สึกมีเรานี่มันพอกผูนความรู้สึกอย่างเนี้ไว้งั้นการภาวนาเรามารู้กายรู้ใจครั้งสองครั้งนี่ไม่พอนะไม่พอที่จะล้างความรู้สึกผิดๆที่สะสมมานานว่าจะเห็นว่ากายกใจไม่ใช่เรากวาเห็นที่แรกวันไหวเห็นที่แรกวันไหวนะตกใจบางคนตกใจเราหายไปไหนตกใจ จะต้องดูไปเรื่อยเรื่อยเรื่รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเมื่อไรมีสติขึ้นมากายกับใจก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวธรรมรูปธรรมนามธรรมเมื่อไหรขาดสติความรู้สึกเก่าๆก็กลับมามีเราขึ้นมาอีกงั้นคนไหนว่าได้โสดาบันโดยให้ดีนะโสดาบันตอนรู้สึกตัวพอเผลอเมื่อไหร่ ม, รมันก็มีเราขึ้นมาอีก พนั่นพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนะจะรู้สึกเเห็นเห็นหางของเราไหวๆอยู่ตะกี้นี้เห็นหางนิดๆนะเห็นร่องรอยอยู่นิดๆบางคนทนไม่ได้นะรู้สึกได้เป็นโสดาแล้วนะไปเห็นหางมันหน่อยๆทนไม่ไหวนะยอมรับไม่ได้ก็ทําทเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ดูมันซ่อนไว้ไม่ดูกลบเอาไว้ไม่ดูก็ไม่ได้นะหลายคนมาชอบมาหาหลวงพ่อ บางคนก็มาถามซื่อเลยผมจบแล้วใช่ไหมมีนะผมจบแล้วใช่ไหม <c oughs> บางคนก็มาเล่าน่ผมปล่อยวางผู้รู้ไปแล้วพระนะมาแล้วผมปล่อยวางผู้รู้ไปแล้วบอกท่านสติแตกไปแล้วท่านะท่านลืมเนื้อลืมตัวหมดแล้วไม่ใช่ปล่อยวางผู้รู้คารวะก็เยอะนะเป็นพระอริยะเยอะมากลและมามรณภาพที่วัดนี้นับจานวนไม่ถูกเลยเพราะ <c oughs> อะไรเพราะหลวงพ่อพาให้ดูเห็นนะ เห็นหางของความเป็นตัวเรามันไหวๆอยู่ข้างในมันไม่ได้หมดจริงเวลามีสติตัวเราไม่มีพอขาดสติตัวเรามีขึ้นมาอีกกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้มีจริงๆนะไม่ใช่อยู่ๆคนนึกเอาเองว่าเป็นโสดาเป็นสกีทาคานึกเอาเองใช้ไม่ได้นะนึกเอาเองแล้ววันหนึ่งมันก็ช็อกช้ำใจหลายคนช้าใจมากนะมาหาหลวงพ่อด้วยความชอกช้า บางทีมาด้วยความชื่นฉ่ำนะกลับไปอย่างช็อกช้ำนะมีเยอะแต่ก็อุตส่าห์นะทนมาภาคเพียนมามีหลวงพ่อยกย่องเลยบางคนใจเด็ดมากเลยอย่างวันนี้ก็เห็นแวบๆบตัแบบ้มต้อมชอบว่าเป็นพระอริยะเรื่อยนะก็เจ็บช้ำบาดเจ็บกลับไปแล้วก็สู้นะกลับมาอีกภาคเพียนเอาอีกวันหนึ่งก็ทำได้ค่ายฝึกไป กระบวนการที่จิตตัดสินความรู้มันมีอันแรกเลยจิตจะต้องเป็นกลางก่อนจิตมันจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงมันเห็นความสุขกเห็นความทุกข์เสมอภาคกันเห็นกุศลและอกุศลเสมอภาคกันเห็นธรรมะทั้งหลายนะที่เป็นความปรุงแต่งทั้งหลายนีย่เสมอภาคกันทั้งหมดเลยนี่ใจอยู่ตรงนี้เรียกว่าใจมีปัญญาในระดับที่เรียกว่าสังขารุเบกขญยานถ้ายังใจยังไม่เสมอภาคกันแล้วก็ยังไม่เกิมกดมรรคผลหอก แค่รู้สึกตัวเป็นคลาบคลาบเราไม่มีเราไม่มีสรุปแล้วเป็นพระโสดาแล้วไม่ใช่ก่อนจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยจิตเดินเข้ามาสู่จุดที่จิตมีปัญญาแก่กล้ามากเลยเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันได้ไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งรักความสุขเกลียดความทุกข์รักความดีเกลียดความชั่วไม่เสมอภาคทันทีที่จิตไม่เสมอภาคจิตจะดิ้นรนจิตจะทํางานขึ้นมาอีก คุอวุฒิโ ด, ดดไหมพอจิตเราเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมานะมันจะทํางานมันจะทํางานจะไปดึงอันนี้จะไปผลักอันนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็หมุนติ้วติติ้ ว, ว, ว, วอยู่อย่างนั้นเองนะเดี๋ยวก็ผลักออกไปเดี๋ยวก็ดึงเข้ามาเดี๋ยวก็หมุนเวียนไปเวียนมาเนี่มีราคะมีโทสะมีราคะก็ดึงเข้ามามีโทสะก็ผลักออกไปมีโมหะก็หมุนไปหมุนมานะจับอะไรไม่ค่อยจะถูกจิตมันทํางานขึ้นมาเพราะมันมีความยินดียินร้าย ถ้าจิตยังทํางานอยู่นะั่นก็มรรคผลไม่เกิดหรอกเพราะมรรคผลนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นสภาวธรรมที่จิตพ้นจากความอยากพ้นความยินดียินร้ายมรรคผลนิพพานเป็นสภาวธรรมที่พ้นความปรุงแต่งตราบใดที่จิตยังมีความอยากมันก็จะปรุงตราบใดที่ยังปรุงอยู่ก็ไม่เห็นธรรมะที่พ้นความปรุงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กายต้องรู้ใจซึ่งเป็นของปรุงแต่งรู้มากๆนะรู้ได้ใจที่เป็นกลางอย่างแท้จริงเลย รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจนะถ้าไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะทำงานมันจะผลักเข้าไอ้ผลักออกไปดึงเข้ามาหมุนไปหมุนมาจับจดจับโน้นทีจับอนนี้ทีไปเรื่อยไม่เลิกหรอกควาใดที่ใจยังไม่ไม่หมดความหิวโหวยยังมีความอยากผลักดันอยู่มีความยินดียินร้ายแล้วก็อยากขึ้นมาอยากแล้วก็หมุนไปหมุนมาทางานขึ้นไปไม่มีวันเห็นมากคนนิพพานหรอก ให้รู้ทันรู้ทันความปรุงแต่งของใจของเรานี่แหละหรือความปรุงแต่งของกายนะให้รู้ทันไปเรื่อยเรืรู้ไปจนกระทั่งรู้ทันอีกเวลาเราไปรู้สภาวะของกายของใจแล้วสภาวะของกายของใจเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งเรียกว่าสังคตาธรรมอย่าไปฝึกให้กายให้ใจไม่ปรุงแต่งนะไม่ใช่ต้องไม่กระดุกกระดิกนี่เพื่อจะได้ไม่ปรุงแต่งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าห้ามคิดห้ามนึกไม่ใช่ ไม่ได้ฝึกไม่ให้คิดนะไม่ได้ฝึกให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินเราเฝ้ารู้ความปรุงแต่งของกายของใจไปเรื่อยๆแต่เราอย่าไปปรุงแต่งกายปรุงแต่งใจแค่เรารู้ความปรุงแต่งอย่างจิตใจของเราเนี่ยคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันนะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายให้เรารู้ไปเราอย่าไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตโกรธขึ้นมาไม่ต้องปรุงแต่งให้หายนะให้ตามดูความโกรธตามความเป็นจริงไปเห็นจิตที่โกรธตามความเป็นจริงไป หรือจิตมีราคาขึ้นมาก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้หายจิตเกิดสติก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าทำยังไงจะมีสติต่อเนื่องตรงที่จิตเขาปรุงแต่งของเขาเอางไม่ใช่ปัญหาจิตมีธรรมชาติปรุงแต่งเขาต้องปรุงแต่งตามธรรมดาของเขาแต่ตรงที่เราเข้าไปปรุงแต่งเขานี่แหละคือปัญหาละนักปฏิบัติพอเห็นอกุศลเกิดก็ปรุงแต่งหาทางละพอกุศลเกิดก็หาทางรักษาถ้ากุศลไม่เกิดหาทางทาให้เกิด นี่คือความปรุงแต่งเรียกว่าการสร้างภพการทํากรรมใหม่ทันทีที่ใจของเราทํากรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยใจจะทุกข์ทันทีเลยเช่นราคะเกิดหาทางให้หายเนี่ยความทุกข์จะเกิดทันทีใจจะอึดอัดขัดข้องขึ้นมาทันทีเพราะใจสร้างภพขึ้นมาคือใจทํางานขึ้นมาตราบใดที่จิตใจยังทํางานอยู่จิตใจก็ยังไม่พ้นจากทุกข์จิตใจยังอยู่ในภพจิตใจมีความทุกข์เพะนั้นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจไปรู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆนะ รู้แล้วไม่เติมอะไรลงในการรู้ไม่แตง่งไม่ดัดแปลงแก้ไขไม่เรียกร้องไม่สแสวงหารู้อย่างที่เขาเป็นอย่างแท้จริงพอจิตใจเราหมดความดิ้นรนปรุงแต่งสแสวงหาเนี่ยจิตใจมีปัญญานะมีปัญญารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแสงเช่นนี้เดียวเลยเห็นความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีเห็นความทุกข์เกิดก็ไม่หลงยินร้ายนะเห็นว่าสุขและทุกข์เสมอภาคกันแท้จริงธรรมะทั้งหลายเสมอภาคกันนะ ใจเราต่างหากที่ไม่เสมอภาคความสุขและความทุกข์นั้นเสมอภาคกันเพราะเกิดแล้วดับด้วยกันทั้งคู่กุศลและอกุศลเสมอภาคกันเพราะเกิดแล้วดับด้วยกันทั้งคู่ใจเราต่างหากไม่เสมอภาคเราอยากได้อันหนึง่งเราเกลียดอีกันหนึ่งเพราะอยากได้อันหนึ่งเกลียดอันหนึงนหน่งใจจะดิน้นรนใจดิน้นรนก็คือใจสร้างภพใหม่สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาสดสดร้อนๆเดี๋ยวนี้เลยน เพราะนถ้าให้เราเห็นาธาตุเห็นขนันเห็นกายเห็นใจทํางานเนี่ยจิตใจเราจะไม่มีความทุกข์อะไรหรอกแต่ถ้าเราลงมือทําเองเมื่อไหร่จิตใจจะมีความทุกข์ใหม่ๆสดๆร้อนๆขึ้นมาทันทีเลยอ น, นี้เป็นการหลงทํากรรมใหม่ของนักปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่ง่ายนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้ารู้แล้วมันไม่เป็นกลางมันหลงยินดียินร้ายมันหลงแทรกแซงหลงทำโน่นทํานี้ให้รู้ทันจิตใจที่ไม่เป็นกลางนี่จะเป็นกลางเอง ถึงจหนึ่งธรรมะทั้งหลายเขาก็เป็นกลางโดยตัวของเขาอยู่แล้วเราไปให้ค่าเขาทําให้เขาไม่เป็นกลางพ่าจิตฉลาดขึ้นมาจิตไม่ให้ค่ากับธรรมะใดๆทั้งสิ้นเลยธรรมะทั้งหลายเสมอภาคกันในความรู้สึกขึ้นมาตรงที่จิตมีปัญญาแล้วเห็นธรรมะทั้งหลายเสมอภาคกันในความรู้สึกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านใช้คําว่าเหมือนโลคราบเป็นหน้ากลองเลยเหมือนโลคราบเป็นหน้ากรองลองไปอ่านประวัติครูบาอาจารย์นะบางทีท่านสํานวนท่าน ภาวนาไปแล้วโลกราบเป็นหน้ากลองนี่ราบด้วยความรู้สึกจริงๆราบด้วยสติราบด้วยปัญญาเห็นความจริงทุกอย่างเสมอภาคกันหมดไม่มีอะไรโดดเด่นหน้าหยิบฉวยสักอันเดียวเลยไม่ใช่ความสุขโดดเด่นขึ้นมาก็โดดตะครุบความทุกข์โดดเด่นก็โดดผลักนะแต่จะรู้สึกทุกอย่างเสมอการพ่าจิตใจหมดความดิ้นร น, นอย่างแท้จริงนะมีสติสมาธิปัญญาแก่กล้าพอแล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะ ไม่ได้เจตนาจะรวมรวมข้ออัปนาสมาธิบางคนรวมตั้งแต่ปฐมฌ า, านขึ้นไปจนถึงฌานที่8ได้นะในตำราพูดบอกรวมไปถึงฌานที่4ี่ถ้าพูดอย่างอภิธรรมรวมไปถึงฌานที่ห้าสี่กับห้าเนี่ยอันเดียวกันงแต่ว่าแยกแยะแบบไหนเท่านั้นแยกแยะแบบพระสูตรก็มี4ี่แยกแยะแบบอภิธรรมก็มีห้าส่วนอรูปฌานสอย่างนะั้นในความเป็นจริงก็คือฌานที่4หรือฌานที่5นะ้านั่นเอง องธรรมเสมอกันคือมีอุเบกขากับเอกคตาเท่าๆกันนี่เพียงแต่แยกแยะตามอารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปหรืออารมณ์ที่เป็นนามนี่เวลาที่จิตจะรวมเข้ามานะั้ำจะรวมเข้าชานใดชานหนึ่งตั้งแต่ชานที่หนึ่งถึงชานที่สี่ที่หหรือจะชานที่8ดก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกกันรวมเข้ามาแล้วจะเห็นสภาวะธรรมภายในทํางานตอนนี้ไม่มีความคิดความนึกอะไรเจือปนซึ้งนิดเลยจะเห็นสภาวะธรรมล้วนๆเลยนะ เกิดดับเกิดดับเกิดดั บ, อ, ดบอยู่สองขณะบ้าง3ขณะบ้างขณะที่สานี่เรียกว่าอนุโลมขณะที่สหรือขณะที่สองสำหรับบางคนจะเรียกว่าอนุโลมอนุโลมหมายถึงใจเนี่ยคล้อยตามความจริงไม่ต่อต้านความจริงเลยสักนิดเดียวใจจะปล่อยวางสิ่งความปรุงแต่งทั้งหมดเลยพอใจวางความปรุงแต่งแล้วจิตมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ทวนเข้ามาเองนะไม่ได้เจตนาทวนทวนเข้ามาถึงธาตุรู้เนี่ อาสวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ้มจิตใจยอยู่จะถูกแตกถูกทําลายออกนะมักก็เป็นตัวทําลายมันออกจิตใจจะยยเป็นอิสระขึ้นมาสองสามขณะเท่านั้นไม่เป็นอิสระนานนะเป็นอิสระชั่วแวบเดียวสองสาขณะให้รู้รสชาติของธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานเสร็จแล้วจิต จ, จะถอยออกมานะออกมาสู่ภาวะปกติออกจากฌานมาออกจากฌานมาจิตมันจะทวนเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น นี่มันมีกระบวนการที่จิตตัดสินความรู้นะไม่ใช่นั่งภาวนาแล้ววูบหมดสติไปตื่นขึ้นมาบอกบรรลุไปแล้วนะหรือภาวนาไปจิตดับจิตดับเป็นผลมลูกฟักนะจิตดับแล้วบอกว่าบรรลุไม่ใช่เลยนะในขณะที่เกิดมรรคเกิดผลนั้นมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตหลายคนคิดว่าตอนเกิดมรรคผลไม่มีจิตจิตดับไปเลยหมดสติลงไปแล้วก็ตื่นขึ้ น, นมาบรรลุไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะในขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิต ตั้งแต่โสดาปฏิมัคโสดาปฏิมัคขจิตสกิทาคามิมัคจิตจนถึงอรหัตตมัคขจิตมีจิตสี่ดวงโสดาสกิทาคานาคารหัตตมัคถ้าแยกย่อยออกไปนะประกอบด้วยฌานอีกห้าประเภทนั่นนะที่ว่ามันเป็นสี่คูณหเพราะงั้นมันจะมีมัคขจิตทั้งหมดยี่สิบดวง20สบชนิดนะ แล้วก็มีเจตสิก ค, คือสิ่งที่ประกอบกับจิตเนี่ยเจตสิกฝ่ายดีอีกสามสิบขวตัวยั้นไม่ใช่เวลาเกิดมรรคเกิดผลไม่มีจิตไม่มีเจตสิกนะอย่าเข้าใจผิดยันไม่ใช่ลืมตัววูบไปอ้อตื่นแล้วบรรลุแล้วบรรลุแลเป็นพระอริยะแล้วไม่ไม่กี่วั น, นก็ไล่กัดกับเขาอีกแล้วนะหลวงพ่อเพิ่งอ่านหนังสรรือของอาจา ร, รย์พรลมมีคนเข้ามาให้อาจา ร, รย์พลมเป็นพระฝรั่งนะเป็นพระฝรั่ง ท่านเขียนสนุกดีเรามีพระญี่ปุ่นองค์หนึ่งพระญี่ปุ่นอยู่ในเกาะ3ามปีนะไม่ได้ออกมายุ่งกับใครเลยถึงเวลาก็มีคนเอาอาหารไปส่งท่านทุกวันที่ท่านภาวนาอยู่3ามปีท่านก็คิดว่าท่านบรรลุแล้จบแล้วท่านก็ขอกระดาษขอปากกาอะไรเข้ามานะเขียนสรกธรรมะส่งไปให้อาจารย์อาจารย์อยู่บนบกนะอยู่วัดบนบกตัวท่านนีไปอยู่ในเกาะ อาจารย์ก็ส่งข้าวส่งน้ำเรนะื่อยเลภาวนาสามปีท่านก็เขียนเลยบอกพระหนุ่มนะภาวนาอยู่สามปีตามลําพังอย่างเงี้ยพ่อจําไม่ได้นะภาษาท่านเวลานี้นะลมกระแสลมทั้งสี่หมายถึงราบยศสารเสริญสุขกระแสลมทั้ง4งะะี่เนี่ยไม่สามารถพัดท่านให้ไหวติ่งได้อีกต่อไปแล้วเขียนอย่างนี้ส่งมาให้อาจารย์แล้วก็นั่งรอนอนรอนะว่าอาจารย์จะตอบมาอย่างไงภูมิใจอยู่ภูมิใจ อาจารย์เขียนส่งกระดาษแผนเดิมมาให้นะแต่เติมมาอีกส่ว น, นตอตดตดๆๆๆโอ้โหเห็นนะพระริยะโกรธมากเลย โ, โหดูถูกกันชัดๆเลยนะขึ้นจากเกาะเลยนะนั่งเรือขึ้นฝั่งมหาอาจารย์ เ, ยเอากระดาษวางโครมหมายความว่ายังไงอาจารย์ก็อ่านให้ฟังหมายความว่างี้นะทิศสูนหนุ่มไปภาวนาอยู่ในเกาะตามลําพังสามปีนี่ ลมทั้งสี่นี่ไม่สามารถพัดจิตใจท่านให้ไหวติ่งได้ยกเว้นตดท่านบอกโดนตดเนี่ยพัดกระเด็นจากเกาะขึ้นมาบนโบกเลยนะงั้นบางทีครูบาอาจารย์จะใช้วิธียั่วให้โมโหก็มีทียั่วงั้นเราอย่ารีบร้อนนะเราหลายคนภาวนาเนึกว่าบารรลุมรรคผล น, นิพพานอะไค่อยๆดูค่อยๆสังเกต เส้นทางนี้ต้องละเอียดต้องประณีตจริงๆต้องค่อยๆดูไปเวลานี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะชี้ขาดให้เราต้องสังเกตเอากิเลสเรามีจริงๆไหมละได้จริงๆไหมค่อยดูเ อ, อย่านึกเอาเองถ้าหัดสังเกตจริงๆนะช่างสังเกตจริงๆกนะิเลสมันทนการสังเกตของเราไม่ได้หรอกหลวงพ่อก็เคยพลาดนะภาวนาไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆภาวนาไปจิตว่างไปหมดเลย โอ้ถ้าจะใช่แล้วถ้าจะใช่แล้ววัานันใช่ใช่ไปหลายวันนะไอ้ความว่างๆนั้นด้านไปนิดๆนะมองได้หน่อยๆอีกโอ้ไม่ใช่อีกแล้วนี่ช่างสังเกตนะแต่ไม่รู้มันทำผิดตรงไหนไปเดินพลาดตรงจุดไหนดูไม่ออกเลยไม่มีครูบาอาจารย์บอกนะก็ต้องสังเกตเอาในสุดไม่รู้จะสังเกตตอนไหนนะวันหนึ่งมันตื่นขึ้นมาตื่นมาตีสองตีหนึ่งตื่นขึ้นมามันเห็นเลยจิตเคลื่อนเข้าไป หยิบจับเอาจิตชกสวยเอาจิตขึ้นมาพิจารณานะแล้วก็แกล้งวางไปนี่แกล้งปล่อยวางยังได้เลยนะแต่ร้ายจริงกิเลสเนี่ยต้องรู้ทันจริงๆนะรู้ไม่ทันเสร็จเลยนะนึกว่าเป็นพระอริยะแอลิแยะนะแยะมากเลยนะหรือเป็นพระระหันซ้ายหันขวานะเยอะดูให้ดีนะอย่าเชื่ อ, อเชื่อง่ายๆแล้วอย่าเชื่อคำสอนอะไรที่เกินกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า หลายคนชอบเชื่อคำสอนที่เกินพระพุทธเจ้าสอนนะเช่นชอบไปดูความว่างเยอะนะเดี๋ยวนี้ทาไมชอบไปดูความว่างกันน้อมใจให้นิ่งนิ่งว่างๆบอกบรรลุแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนมีแต่สอนให้รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจหรือถ้าสังเกตให้ดีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะลองไปอ่านในพระสูตรดูท่านจะไม่สอนเลยว่าเวลาหายใจมีลมกระทบกี่ที่ เวลาเดินหนึ่งเนี้มีกี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะนี่ของเราจะมีสิ่งเหล่านี้เกินขึ้นมาเยอะนะในรุ่นหลังๆอาจารย์สอนอาจารย์สอนแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนี่เราค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะั่นคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อพ้นทุกข์สิ่งที่ท่านไม่ได้สอนคือสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่จําเป็นเกินใบไม้หนึ่งกำมือไป ไม่ใช่ท่านสอนไม่เป็นหรอกท่านเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องสอนสิ่งที่ท่านเห็นว่าจาเป็นต้องสอนคือเนื้อหาธรรมะทั้งหลายนั่นเองท่านสอนอะไรมัง่งนะสอนอริยสัจเนี่อริ ย, รรรยรรสัจเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหมดเลยชาวพุทธต้องเรียนอริยสัจนะจะเป็นพระเป็นคารวะก็ต้องเรียนอริยสัจอริยสัจสี่เริ่มแต่ทุกทุ ก, ทกคืออะไรต้องเรียนแล้วไม่ใช่โมเมล เ, เองว่ารู้จักทุกไม่มีใครรู้จักทุกหรอก เรารู้จักแต่ทุกขเวทนาหรืออย่างเก่งมากๆเลยรู้จักทุกลักษณะไม่มีใครรู้จักทุกขสัตนะคนที่รู้จักทุกขสัตย์จริงๆต้องเป็นพระอรหันต์นะฉนั้นเราอย่งไม่ได้รู้จักทุกขสัตย์หรอกทุกขสัตย์คืออะไรท่านบอกอะไรคือทุกขขันห้าคือทุกมีใครรู้สึกว่ากายนี้คือทุกใจนี้คือทุกไหมไม่มีหรอกเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างต่างหาก จิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนเราเรารู้สึกอย่างนี้งั้นเราไม่ได้รู้ทุกข์นะแต่เรารู้ทุกขเวทนาเดี๋ยวมันก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกขบ้างเป็นทุกขเวทนาหรืออย่างมากไปนั่งภาวนานะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปทั้งนามทนอยู่ไม่ได้นานนี่เห็นทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขสัตว์นะถ้าเห็นทุกขสัตว์นี่มันจะเห็นในขันห้านั่นแหละคือตัวทุกขกายนี้แหละเป็นทุกขใจนี้แหละเป็นทุกขไม่เห็นดอก ต้องภาวนากันนานตามดูกายตามดูใจนานนะต้องตามไปบป็นใดเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกบ้างสุขบ้างจิตจะเห็นเลยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินพอใจอีกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละตัวทุกข์เพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสพโฑทพานี่แหละตัวทุกข์จิตจะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสพโฑทพานั้นจะไม่มีการมาราคะนะไม่มีปฏิฆะ ถามันยึดในรูปมันก็พอใจในรูปอย่างนี้เกลียดในรูปอย่างนี้มีการมาราคะมีปฏิฆะเพราฉะคนที่สามารถละความยึดถือในกายได้เด็ดขาดจริงๆคือพระอนาคามีเป็นภูมิของพระอนาคามีพวกเราไม่เห็นหรอกหรือละความยึดถือจิตได้เนี่ยเป็นภูมิสุดท้ายละเห็นเลยจิตนี้ทุกข์ล้วนๆ น, นะทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะไปเจออารมณ์ที่ไม่ดี แต่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นขันนั่นแหละถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะหวังแาบใดที่ยังเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังจะดิ้นได้ยังมีทางเลือกจะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์เรื่อยๆไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์รุนรนแล้วมันจะสลัดคืนเรียกว่าปฏินิสัคาการสลัดคืนไม่เอาแล้วจะปล่อยเองจิตใจเราจะมีมือลึกลับอันหนึ่งพวกเราหลายคนภาวนาเห็นมือลึกลับนี้ยังคุณนามองเห็นไหมเช้าขึ้นมาก็หยิบปั๊บมาก่อนเลย หยิบเฉวยรูปหยิบเฉวยนามขึ้นมานะหยิบได้ง่ายนะแต่ปล่อยไม่เป็นหยิบขึ้นมาอย่างนั้นเราปล่อยไม่ได้ต้องฝึกต้องดูไปอย่าเชื่อง่ายๆนะเ <c oughs> ดี่ยวพระเจ้าสอนอริยสัจต้องเรียนอริยสัจ ท, ทุก ค, คือเรื่องของขันห่านะหน้าที่ของเราต่อทุก ค, คือการรู้นะไม่ใช่คือการละถ้าเรารู้ทุกแจ่มแจ้งเราเห็นเลยกายนี้ใจนี้ทุกร้วนๆสมูทยัยหรือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติ แต่เดิมเราคิดว่าถ้าละตัณหาได้แล้วก็ดับทุกข์ได้อันนั้นเป็นธรรมะเบื้องต้นหรอกแต่ธรรมะเบื้องปลายจริงๆถ้ารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจะหมดตัณหาตัณหาจะไม่เกิดเลยตัณหามันเป็นความอยากนั่นแหละอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์พอมันรู้แจ้งว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนนะไม่ต้องอยากแนละ้วสลัดคืนให้โลกไปเลยนั้นตัณหาจะไม่เกิดอีก รู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่สมูทายถูกละเมื่อ น, นั้นทันทีที่สมูทายถูกละจิตจะหมดความดิ้นรนจิตหมดความดิ้นรนนิโรธก็แจ้งขึ้นมานิพพานคือสันตินะนิพพานคือสันตินิพพานคือความสงบจากขันสงบจากกิเลสเังนั้นเมื่อไหร่ตัณหาดับเนมะื่อนั้นนิโรธก็ปรากฏขึ้นมานั้นต้องรู้ทุกข์นะการมีสติรู้กายรู้ใจเรียกว่าการเจริญมรรค รู้ไปจนแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจตัณหาจะไม่เกิดอีกตัณหาไม่เกิดนิโรธก็แจ้งขึ้นนี่ต้องเรียนนะต้องเรียนต้องฟังหลายคนนึกว่าอริยศาสตร์ยากเกินไปหลวงพ่อประโมทสอนอะไรที่ยากเกินไปก็คิดอย่างนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้สียทีนะอริยศาสตร์นะี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทั่วๆไปแนละ อยู่ในอนุปุพพิกถาก็มีล้อนุปุพพิกถาเป็นธรรมะที่สอนชาวบ้านสอนให้ทําทานสอนให้ถือศีลทําทานถือศีลแล้วได้ขึ้นสวรรค์นนะสวรรค์ยังไม่เที่ยงแท้นะความสุขอย่างนั้นไม่เที่ยงแทแต้ต้องออกจากกามถึงจะดีออกจากกามแล้วก็มารู้กายมารู้ใจมาคอยรู้กายรู้ใจออกจากกามก็คืออย่ามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เราไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายมากนะักให้คอยมาสังเกตกายสังเกตใจตัวเอง วันนึงแจ่มแจ้งก็วางได้นี่เรียกว่าอาริยสัจนะหรือธรรมะที่ต้องเรียนอีกการหนึ่งคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเรียนให้ดีเป็นธรรมะสาคัญสติปัฏฐานเนี่ยทำไปเพื่อสองอย่างอันแรกทําไปเพื่อให้เกิดสติอันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเฉะนั้นสติปัฏฐานทําเพื่อให้มีสติกับเพื่อมีปัญญาที่แรกยังไม่มีสติยังไม่ต้องเจริญสตินะ ถ้าเราไม่มีสติจะเจริญเหมือนเราไม่มีมเมล็ดมะม่วงเนะี่ยไม่มีกิ่งพันธุ์มะม่วงยังไม่ต้องไปคิดทําสวนมะม่วงนะต้องหาเชื้อพันธุ์ของมันก่อนแล้วเราต้องมีสติก่อนนะถึงจะมีสติบ่อยๆได้ถึงจะเจริญได้นี้สติเกิดจากอะไรสติเป็นความระลึกได้ในรูปในนามอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติระลึกอารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นๆไม่เรียกว่าสติปัฏฐาน สติปัฏฐานเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ที่สติระลึกรู้รูปนามกายใจระลึกรู้อย่างอื่นไม่ใช่สติปัฏฐานวิธีที่สติจะระลึกรู้ขึ้นมาได้หลวงพ่อใช้คําว่าระลึกรู้นะระลึกได้หลวงพ่อไม่ได้ใช้คําว่ากําหนดนะเพราะความระลึกขึ้นมาเนี่ยมีเหตุเหตุใกล้ของการระลึกขึ้นมาคือการที่จิตจําสภาวะได้จําสภาวะได้แม่นแล้วสติตัวเอง คนที่มานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสองครั้งสาครั้งสติเกิดนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สองสามครั้งสติก็เกิดแล้วเริ่มเห็นกิเลสปลุโหลทั้งวันเลยบางคนมารายงานน่าฟังนะหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่เห็นกิเลส ท, ทั้งวันเลยเห็นใจที่ไหลไปรู้สึกไหลไปแล้วรู้สึกไม่เฉพาะตอนตื่นนะแต่ทังนอนหลับยังเห็นเลยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกทั้งนั้นเลย ฝึกไปจนสติมันอัตโนมัตินะหมุนรอบตัวเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปับ๊บความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตที่ใจรู้ทันจิตใจรู้ทันความปรุงแต่งก็ดับลงไปดับลงไปเห็นแต่สภาวะธรรมแสดงความจริงให้ดูนะความไม่ใช่ตัวเราให้ดูความโกรธที่โผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่นา ม, มาทำอย่างหนึ่งไหลามาแล้วก็ไหลไปความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่นา ม, มาทำไหลามาไหลไป ร่างกายที่ตึงร่างกายที่ไหวร่างกายที่เย็นที่ร้อนอะไรนี้ก็เป็นแค่ธาตุที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสติมันเกิดขึ้นมาก่อนนะแลมารู้กายมารู้ใจมันจะเกิดปัญญาแต่จะเกิดปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นมีเงื่อนไขอีกนะเพราะฉะนั้นปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุปลายเกิดสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งแช่หลายคนคิดว่าสัมมาสมาธิคือจิตตั้งแช่ ก็แช่ไปทั้งชาติแหละชาติหน้าก็แช่อีกนะเพราะมันเคยแช่จิตไม่ใช่เบียนะไม่ต้องเอาไปแช่นะจิตต้องตั้งมัน่นตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์ตั้งมั่นก็นตั้งแช่ไม่เหมือนกันเวลาตั้งมั่นเนี่ยจะคล้ายๆเราดูคอนเสิร์ตหรือเราดูฟุตบอลเราดูอยู่ห่างๆดูคอนเสิร์ตก็ดูอยู่นอกเวที ดูฟุตบอลก็ดูอยู่บนอัฐจันนะ์นั่งดูอยู่อย่างสบายไม่ลงไปดูกลางสนามหรอกไม่ดูบนเวทีแต่ถ้าตั้งแช่ใจเราจะไหลเขาเ้าไปแนบกับตัวอารมณ์จะเป็นการเพ่งอารมณ์เรียกอารมณนูปนิชานคือสมถะนะเพรา ะ, ะั้นส่วนใหญ่ที่พวกเราทําบอกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาไม่นาจริงหรอกส่วนใหญ่ทําสมถะแล้วหลงว่าเป็นวิปัสสนาเท่า น, นั้นเองจิตไม่ตั้งมั่น ถ้าตั้งมั่นมันจะสักว่ารู้สักว่าเห็นเห็นสภาวธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อหน้าต่ อ, ต, อตาเลยถ้าปัญญามันถึงจะเกิดค่อยๆฟังนะค่อยๆเรียนไปฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องน่าตกใจนะเคยมีคนหนึ่งนะแหมไร้ามากจีเนียสมากทางโลกก็เกง่งๆไปหาหลวงพ่อตอนนี้นยังอยู่มังกรตงเปิดบัดใหม่ๆ จึงไม่ได้เปิดให้โยมไปอยู่นะหลวงพ่อไปทําที่น่นอยู่เพื่อจะภาวนาเองโยมก็ชอบไปยุ่งกับหลวงพ่อไม่ได้เชิญนะชอบไปยุ่งน่าจะพิจารณาตนเองไปถึงหนะ้าไปบอกหลวงพ่ออผมมีเวลาให้ท่านครึ่งชั่วโมงให้ท่านอธิบายธรรมะให้ผมฟังเราฟังงงๆเธอจะมาให้เวลาบอกผมมีเวลาให้ท่านครึ่งชั่วโมงเธอจะมาทําลายเวลาฉันครึ่งชั่วโมงสิ แล้วมันแน่สักแค่ไหนวะครึ่งชั่วโมงมันจะรู้เรื่องอะ่ะ <c oughs> ันหลังมาสารภาพนะว่าวันนั้นฟังครึ่งชั่วโมงแล้วหมดความภูมิใจเลยงงเลยนะหาทางขับรถออกจากวัดไม่ถูกเลยนะ <c oughs> ธรรมะต้องใจเย็นๆนะต้องใจเย็นๆมันเป็นงานละเอียดงานประณีตต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนการปฏิบัติทาเป็นงานที่ทากันทั้งชาตินะทากันทั้งชีวิต ชีวิตเดียวไม่พอทำหลายหลายชีวิตต้องทำคอยรู้กายคอยรู้ใจนี่แหละคอยรู้ไปเราสะสมแต่ความเห็นผิดมานับทบนับชาติไม่ท่วนสะสมมาแต่ว่ามันมีกูมีกูมีกูจะมารู้รูปรู้นามจนละความมีกูออกไปมีตัวเราออกไปไม่ใช่ง่ายต้องค่อยๆทำประณีตยิ่งรีบร้อนยิ่งช้าใจถึงๆนะอย่ารีบรู้กายรู้ใจไป สนุกกับการรู้กายรู้ใจในแต่ละวันแต่ละวันแต่ต้องสนุกกับมันนะถ้าเราได้สนุกที่รู้กายรู้ใจเราจะขยันดูถ้าเร า, ารู้สึกทุกข์ทรมานเหลือเกินที่ต้องรู้กายรู้ใจเราจะขี้เกียจดูเหมือนคนสองคนนะั่คนนึ่งทำงานยังมีความสุขเลยเพราะรักงานอย่างเราเ้าชอบทํางานอย่างเนี้ยเขาได้ทํางานที่เขาชอบนะเขามีความสุขตลอดเวลาพวกนี้เรื่องมีชันทะนะถ้าจะขยันไม่คํานึงว่าผลจะเป็นยังไงนะมีความสุขที่ได้ทําแล้วลนะ่ะ อีกพวกหนึ่งนะไม่มีความสุขที่ได้ทำเลยแต่อยากได้ผลอยากได้ขั้นอยากได้ซีนะอยากได้โบนัสเยอะๆอย่างเงี้ยงั้นปีหนึ่งปีหนึ่งมีความสุขครั้งเดียวตอนโบนัสออก <c oughs> ถ้าก้อนเล็กก็สุขน้อยหน่อยแต่ไอคนไหนมันรักในงานมันมีความสุขทุกวันการทำกรรมฐานเหมือนกันต้องรัก ต้องรักที่จะรู้กายต้องรักที่จะรู้ใจตัวเองสนุกที่จะรู้กายรู้ใจนะแล้วมันจะขยันดูดูทั้งวันไม่มีใครบังคับหลวงพ่อนะมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆชอบปฏิบัติตั้งแต่เจขวบเนี่ยไปเรียนจากวัดอโศกท่านพ่อรีไปคนเยอะนะแต่ท่านชอบให้นั่งสมาธิใครท่านก็ให้นั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกทวนับหนึ่งนับไปถึง10นะแล้วนับลดลงมาเป็น9ก้ลงมาอีกนับขึ้นนับลง หลวงพ่อเป็นนับส0บแล้วมันน้อยไปนับมันถึงร้อยหนึ่งถึงรนะ้อยนับแล้วก็ไม่นับทวนนะนับยากเราเด็กเล็กอ่ะก็นับหนึ่งใหม่เล่นอย่างเงี้ยใจมันชอบชอบภาวนาแต่ท่าน ไ, ได้แต่สมถะพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์ภาวนาทำสมถะอยู่22ปีทำสมถะ22ปีถึงเงี้ไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองท่านได้ยินคำว่าดูจิตมันเกิดฉันทะสนใจ น่าเรียนน่ารู้จังทําไมเราไม่เคยรู้จิตตัวเองเราชอบไปรู้เรื่องอื่นรู้สิ่งอื่นนรกสวรรค์ผีเปรตเลยก็ยังเที่ยวไปดูนะแต่ว่าจิตใจตัวเองทําไมไม่ดูพอรู้สึกว่าการดูจิตน่าสนใจนะขยันดูดูทั้งวันเลยไม่มีใครเชื้อเชิญให้ดูนะไม่มีใครบังคับให้ดูด้วยดูเองสนุกที่จะได้ดูพอมีฉันทาขึ้นมาวิริยะคือความภากเพียนขยันดูมันเกิดจิตใจจดจ่ออยู่กับการรู้การดูเรียก ว, ว่าจิตตะ วันวันหนึ่งคิดแต่เรื่องธรรมะนะเขาเคลียร์ศึกษาพิจารณาแต่ธรรมะล้วนๆเลยไม่เอาเรื่องอื่นเลยนะไม่ว่าวิมังสามีฉันทาวิริยาจิตตาวิมังสาในการปฏิบัติการปฏิบัติจะได้ผลเร็วเพราะมีอิทิบาท4ีอิทิบาท4ีเป็นธรรมะที่ให้ประสบความสําเร็จเร็วเฉะนั้นเราต้องต้องใจถึงถึงนะรักกายรักใจรักที่จะรู้ไปดูลงมาดูบ่อยๆดูบ่อยๆ บางคนดู7วัน7เดือน7ปีมีนะไม่ได้หลอกๆกันถ้า7ปีไม่ได้ก็ดู16ปีไม่ใช่ใบใ ห, หวยนะแต่ว่ามันเป็นสถิติครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านดูของท่าน16ปีจํานวนมากถ้า16ปีไม่ได้ผลดูทั้งชาติชาตินี้ไม่ได้ผลดูต่อไปอีก7ชาตินะ ดูไปเรืหลวงพ่อเจอครูบาจารย์องค์หนึ่งท่านน่ารักมากนะจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่90้กว่าปีแล้วท่านบอกว่าท่านไปศึกษากับหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วมีท่านไม่ได้อะไรเลยอยู่คนเดียวได้แต่สมาธิท่านเล่านะท่านน้าตาคลอเลยตอนนั้นท่านไม่สบายอยู่โรงพยาบาลหลวงพ่อไปเยี่ยมท่านเราไปสนทนาธรรมมาแลท่านท่านน้าตาไหลเลยท่านบอกว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียวแหละ แต่ว่าท่านไม่ถอยนะอีกเจดชาติท่านก็จะทำอีกร้อยชาติท่านก็จะทำใจอย่างนี้นะยังไงก็พ้นใจถึงแต่ถ้ารีบรีบร้อนๆ อ, อยากเอาเร็วๆอยากเอาเร็วๆภา<ม>วนาสองสามวันเริ่มมาถามหลวงพ่อแล้วดิฉันบนรรลุยับนบรรลุบ้าสินะันรู้อะไรอ่ะนะต้องใจถึงๆนะเราทุกคนปรารถนาความสุข เราทุ่มเทเวลาเพื่อแสวงหาความสุขนี้มากมายอย่างเราเรียนหนังสือนี่เรียน10ปี20ปีนะหวังว่ามีความรู้แล้วจะมีความสุขเรามีครอบครัวมีภาระมีครอบครัวต้องดูแลเหน็ดเหนื่อยมากมา ย, ยหวังว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขเราทำงานทำมาหากินเอยอะแยะเลยเหนื่อยยากมากมายนะหวังว่ามีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุข เราทุ่มเทเวลาเนี่ยเพื่อจะสแสวงหาความสุขมาตั้งมากมายแล้วแล้วไม่ได้จริงหรอกได้มาแป๊บๆความสุขก็หนีหายไปอีกแล้วไล่จับไม่ทันเหมือนไล่จับเงาการศึกษาธรรมะเนี่ยคือการศึกษาแล้วก็เข้าถึงความสุขในฉับพลันเลยนั้นเราต้องเสียสละนะต้องลงทุนเพื่อชีวิตของเราเองเราลงทุนเพื่อหาความสุขตั้งมากมายด้วยวิธีต่างๆที่ชาวโลกเขาทาแล้วก็หาไม่เจอหรอก ดันั้นต้องลงทุนที่จะมาศึกษาธรรมะเคยหมกมุ่นกับกิเลสทั้งหลายก็วางวางมันบ้างเคยไม่มีศีลไม่มีธรรมก็แมนมีซะบ้างไม่เคยทําความสงบใจก็หันมาทำซะบ้างหันมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองบ้างนธรรมะอยู่ที่กายที่ใจยต้องลงทุนนะหลวงพ่อบอกอย่างหนึ่งการลงทุนทํางานในทางโลกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุด งานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะอย่างเราไปจีบสาวสักคนหนึ่งกนะได้มาแล้วมีความสุขใช่ไหมได้สุขแวบเดียวรู้สึกไหมอยากจีบอีกคนแล้วคงจะสุขมากกว่านี้อีกแล้วนะความสุขเนี่ยจะเลื่อนลอยหนีไปตลอดเวลาจนตายเลยนะจนแก่จนตายก็ไม่หาไม่ได้หลวงพ่อเคยเจอนะไม่ใช่ใครอื่นเตี๋ยหลวงพ่อเองไม่ยอมภาวนาดอกไม่เคยรู้จักภาวนาตอนจะตายเจ็บมากเป็นไตาวาย เจ็บมากนะนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลศิริราชเนะข ย, ย่าลุกงลงเนี่ยเมื่อไหร่จะตายสักทีโอ้ยถามทำไมจะรีบตายตายแล้วจะได้มีความสุขดูสิถ้าตายได้จะมีความสุขจนถึงตายยังไม่มีความสุขเลยนะคิดว่าถ้าตายเราจะมีความสุขตั้งแต่เด็กๆมาคิดแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราจะสุขถ้าอย่างนี้เราจะสุขถ้าอย่างนี้เราจะสุขเหนื่อยแทบตายเลยนะโดยหวังว่าถ้าได้มาเราจะสุขแล้วพบว่ามันไม่สุขจริง งานทางโลกเลยไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเข้ามาเรียนรู้เข้ามารู้กายรู้ใจท่องแท้นะวันหนึ่งเข้าใจโอ้กายกับใจไม่ใช่เราหรอกนะคืนให้โลกเข้าไปกายกับใจเป็นของโลกหรอกไม่ใช่ของเราคืนให้โลกไปนะมันหมดภาระนะจิตใจจะเต็มอิ่มขึ้นมาฉับพลันเลยเราจะรู้สึกเลยที่ฝากเป็นฝากตายของเราอยู่ตรงนี้เองที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้เอง ภาระใดๆไม่มีอีกแล้วที่จะทำไปเพื่อความพนทุกข์จะรู้สึกขึ้นมาต่อหน้าต่อตามันมีความสุขเยอะนะมีความสุขมากอย่างที่โตเห็นนะมันเห็นสุขของสมาธิาสุขของการเข้าถึงมรรคผลนิพพานะเป็นอีกอย่างสุขเหมือนธาตุขันมนุษย์จะทนไม่ไหวยังต้องลงทุนหน่อยนะลงทุนหน่อยแต่อย่าลงทุนแบบนักเล่นหุ้นนะ ลงแล้วหวังลมลมแรงแรงอันนี้ต้องภาคเพียรเอาลงทุนเหนื่อยเหนื่อยนะเราจะรอดคนหนึ่งคนหนึ่ง น, นี้เราไปเห็นครูบาอาจารย์สมัยครูบาอาจารย์สบายแล้วเรารู้สึกโอ้เมื่อไหร่เราจะสบายอย่างท่านหลวงปู่ทั้งหลายนะหลวงพ่อไปกลับไปหาหลวงปู่แต่ละองค์โอ้ดูท่านสบายจังเลยทําไมเราลุงรังไปหมดเลยทําทำไม่ได้อย่างท่านตอนเป็นคารวาสนะพักเพียร เราค่อยฝึกค่อยฝนไปนะจนองค์สุดท้ายที่ไปเรียนกับท่านคือหลวงปูส่สุวัตสุวัจโจไปเห็นท่านนะโอ้ยทำไมท่านมีความสุขจังนะใจท่านสบายเราภาวนาทำไมลำบากแทบตายเราไปศึกษาท่านเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก่อนท่านสบายท่านลำบากทุกองเลยถ้าไม่ลำบากมาแต่ชาตินี้ก็ลำบากมาแต่ชาติก่อนๆงั้นไม่มีนะลูกฟลุกไม่มี อย่าหวังอะไรลมๆแรงๆเลยต้องสู้ด้วยน้าพักน้ําแรงล้วนๆเลยต้องสู้เองด้วยนะให้ใครมาสู้แทนก็ไม่ได้อย่าขี้เกียจก็แล้วกันภาวนาไปไม่กี่วันก็นเบือ่อแล้วเหยาะเหยะแย่แย่กิเลสหนังไม่ถลอกนะ ไ, ได้กินหรอกาการปฏิบัติต้องไม่เว้นวักเลยใจถึงถึงนะมันเป็นการลงทุนให้ชีวิตเราครั้งสําคัญาการปฏิบัติต้องไม่เว้นวักนะเว้นให้หน่อยเดียวตอนที่ทํางานที่ต้องคิด เราเป็นค า, ารวะเราต้องทำมาหากินเวลาทำงานที่ต้องคิดมันภาวนาไม่ได้หรอกต้องจดจ่อกับงานมีสติในการทำงานมีสมาธิในการทำงานมีปัญญาไปทำงานไม่ใช่การมีสติรู้กายรู้ใจมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจมีปัญญาเข้าใจกายเข้าใจใจไม่ใช่แต่เวลาที่เหลือนอกนั้นกับเวลานอนตัดเวลานอนออกไปเวลาที่เหลือเนี่ยคือเวลาปฏิบัติทั้งหมดเลยอย่าเว้นวันะ หลายคนภาวนาหลายปีไม่ได้ผลเลยเอรว่าชอบเบนวักวันนี้ภาวนานั่งสมาธิห่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงพอเสร็จแล้วเลิกเลยเวลาที่เหลืออีก20กว่าชั่วโมงกิเลสเอาไปกินหมดละไม่ได้กินหรอกภาวนาอย่างนั้นต้องไม่เว้นวักจริงๆนะต้องไม่เบนวั ก, นะ ม, บบกมีสติขึ้นมาตั้งแต่ตื่นนอนนะแล้วทั้งวันยืนเดินนั่งนอนให้คอยรู้สึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปทั้งวันอย่างนั้นแหละนะเวลาที่ต้องทํางานต้องคิด ต้องคุยกับคนต้องอะไรเงี้ยมันดูไม่ได้เพราะนั้นต้องยกเวน้นงั้นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไปคลุกคลีกับใครหลวงพ่อมีนิสัยไม่ชอบคลุกคลีเลยนะขนาดไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์จะรู้เลยไอ้หมอนี่มานะแวบเดียวไปแล้วที่เดินทางไปเป็นวันวันเป็นคืนคืนนะไปหาที่ต้องโหยยี่สกว่าชั่วโมงถึงไปเจอท่านไปเรียนธรรมนะนักครึ่งชั่วโมงเลยนะพอละกลับแล้วไม่เอาแล้วเสียเวลา จนหลังๆบางทีไปเยี่ยมตินิสัยมาอยู่ที่ไหนไม่นานไปเยี่ยมครูบาอาจารย์มันก่ไปเยี่ยมหลวงพ่อมนตรี น, ะนั่งรถไปตั้งแต่ตีสองตีสามอะไรเงี้ยไปคุย ก, กับท่านไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลับแล้วท่านก็บนตามหลังว่ากลับเร็วจัง <c oughs> ไปหาท่านอาจารย์ตันไปเยี่ยมท่านท่านก็มานี่เราก็ไปหาท่านเหมือนกันเอาของไปนะ้โยมเอาเข้าวของมาให้หลวงพ่อเยอะวัดหลวงพ่อปลาน้อยหลวงพ่อก็ส่ง ส่งต่อไปซุรินบ้างส่งไปให้วัดที่ขาดบ้างที่ไปเยี่ยมท่านจันตันนักขน้นํปาปลาน้าขนอะไรไปลูกศิษย์ยังขนออกจากรถไม่หมดเลยหลวงพ่อจะกลับแล้วพร <c oughs> <c oughs> าะมันหมดธุระไม่รู้จะคุยอะไรเสียเวลาเนี่ยติดนิสัยที่จะไม่คลุกคลีไม่คุยนานเสียเวลานะเอาเวลามาภาวนาเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ประมาทไม่ได้นะต้องดูเ ินติดนิสัยนะั้นไปไหนไปแบบเดียวเดี๋ยวกลับละไมเอาละ ว, วันนี้ไม่ได้ให้โยมถามนะเพราะโยมเยอะเกินไปถามก็ได้ไม่เกินห0คนงั้นฟังหลวงพ่อพูดฟังในภาพรวมเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำของเราไปแต่เติมความรู้สึกตัวลงไปเคยพุโทโธพุโทโธไปแต่พุโทโธแล้วใจลอยให้รู้ทัน พุทโธล้ใจเป็นสุขให้รู้ทันใจสงบให้รู้ทันพุทโธแล้ฟุ้งซ่าเนือให้รู้ทันเคยฝึกอานาปนสติหายใจก็หายใจไปอย่าเลิกหายใจนะทนทนไม่หายใจไปให้ตลอดปีใหม่นะหายใจไปเคยหายใจทิ้งก็เปลี่ยนใหม่หายใจรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวคนไหนชอบอานาปนสติแนะนําให้หายใจออกก่อนนะ หายใจออกก่อนแล้วสบายหายใจเข้าก่อนแล้วจะเครียดในพระไตรปิฎกก็มีภิกษุทั้งหลายกู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจม่จะผ่อนคลายหายใจเข้าก่อนแล้วจะเครียดนี่หายใจไปไม่ใช่หายใจเพื่อบังคับให้ใจนิ่งนะหายใจแล้วหัดดูสภาวะซะบ้างหายใจแล้วใจแอบไปคิดรู้ทัน หายใจแล้วใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันหายใจแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ทันหายใจแล้วสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆคนไหนเคยดูท้องฟองยุบก็ดูไปไม่ใช่เสียหายอะไรหรือท้องฟองยุบแล้วใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้นะใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้ใครเคยขยับมืออย่างสายลงพระเทียนก็ขยับไปไม่เสียหายอะไรหลวงพ่อเทียนก็เป็นอาจารย์ชั้นเลิศองค์หนึ่งนี่รุ่นหลังๆเริ่มเพียนนะ เริ่มไปเพ่งใส่มือเริ่มเพ่งใส่มือหลวงพ่อเตียนขยับเพื่อรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะเบเพ่งให้จิตนิง่งนั้นเราขยับไปใจเราลอยแวบไปที่อื่นรู้ทันใจไปเพ่งใส่มือรู้ทันจิตใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันไปหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งแล้วทาไปแบบเดียวกันนี้แหละมีพระองค์หนึ่งมาเรียนที่หลวงพ่อนะมาวันแรกงงไปเลยไม่รู้เรื่องมาวันที่สอง วันที่สองท่านมาฟังฟังไปนะท่านก็กลับไปลองสังเกตท่านใช้การแตะนิ้วเนีท่านแตะงท่านอยู่เงี้ยมันเล็กๆดีนะแล้วคนไม่เห็นซ่อนไว้เงี้ยแล้วก็แตะอย่างงี้ก็ได้คนไม่เห็นคนไม่รู้ว่าทําอะไรนะบางคนทํากรรมฐานโฉมฉ่างไปหน่อยนะมีลูกติดคนหนึ่งมันเข็งหัวปักปักกรรมฐานโง่อย่างนี้ไม่มีใครเข้าเอาด้วยหรอกนะมันเจ็บฟ้าองคนี้ท่านแตะแค่เนี้ยแล้วอีกวันหนึ่งวันที่สามท่านมา มา3วันต่อกันท่านพักอยู่แถวนี้วันที่สามมานะตื่นมาเรียบร้อยแล้วท่านเข้าใจล้เวลาท่านขยับเนี่ยใจแอบไปคิดแวบบท่านรู้สึกใจแอบไปคิดแวบท่านรู้สึกท่านนับไปเรื่อย1ครั้ง2ครั้งเรื่อยชั่วโมงหนึ่งหนีไปร้อยกว่าครั้งพอชั่วโมงหนีไปร้อยกว่าครั้งนะใจก็เลยตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆจะพบว่าหนีทุกวินาทีแหละ ไม่ใช่นาทีละครั้งหรือนาทีละสองครั้งหรอกจริงๆวินาทีหนึ่งสองวินาทีก็หนีลนะเบอร์สิดูออกอยังแวบแวบแวบแวบนะจะเห็นแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเนี่ยปัญญามันแจ้งนะจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงไปเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยทำกรรมาฐานอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาสะก่อนมีเครื่องอยู่เรียกว่ามีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เคาะไปก็ได้ เมื่อก่อนเคย ร, รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะมีก้อนกรวดใส่อยู่ปลายนิ้วเนะี่ยใครแตะรู้สึกนะแต่ไม่ใช่ไปหาอะไรแหลมแหลมมาทิ่มทิ่มตัวเองนะนั่นไม่ฉลาดนะเดี๋ยวเป็นบาดทะยักตายแค่แค่รู้สึกท่านึงมีความรู้สึกไว้ไวนิดหนึ่งพอจิตหลุดออกไปเรารู้จิตหลุดออกไปเรารู้อะไรก็ได้นะหายใจก็ได้ดูท้องฟองยุบ ก, ก็ได้ขยับมือก็ได้ขยับนิ้วยี้ก็ได้หลวง้่อมีบางคราวเดินจงกรมมันเมื่อยนะหลวงพ่อเดินด้วยนิ้วเดินแค่เนี้ย ทำไมมันจะเดินไม่ได้อะเอ่อทำไมมันต้องเดินด้วยขาเดินด้วยนิ้วไม่ได้เหรอมันแค่รู้สึกเท่านั้นเองงั้นมาเดินจงกรมแข่งก็ได้นะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวแล้วง่ายแล้วสบายด้วยไม่ใช่ลําบากนะถ้าภาวนาเรารู้สึกว่าฝืนเหลือเกินฝืนเหลือเกินลําบากเหลือเกินสรุปได้เลยทําผิดแน่นอน ถ้าทำถูกต้องนะมีสติทำเหตุของสติคือหัดรู้สภาวะสติเกิดโดยไม่ต้องเชิญให้เกิดสติตัวจริงเกิดจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นขึ้นมาเองเลยเสร็จแล้วกิเลสอะไรแทรกเข้ามานะสติจะเห็นแล้วจิตใจมันจะมีฮิริอตตะปะมันจะละอายบาปมันจะกลัวผลของบาปนะไม่ยอมทำชั่วหรอกศีลมันจะเกิดขึ้นมาเองจิตใจมันจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสย้อม จิตใจมีความเป็นปกติไม่ถูกกิเลสย้อมในจิตใจก็มีความสุขจิตใจที่มีความสุขจิตใจก็ตั้งมั่นจิตใจมีความสุขแล้วมันจะตั้งมั่นเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าจิตใจตั้งมั่นจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่ตั้งแช่นะตั้งมั่นจะทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจปัญญาทําให้เกิดความปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเกิดบิมุติปล่อยวางไป วิมุตทำให้เกิดวิมุตยานทัศนะคือเข้าใจถึงสภาวะของนิพพานเกิดปัญญาเข้าใจนิพพานงั้นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติอยู่ที่หัดรู้สภาวะรู้ไปพวกที่เรียนอภิธรรมก็พูดเหมือนกันนะพูดเหมือนกันแต่พวกนี้เข้าไปเรียนสภาวะธรรม72อย่างเรียนตามตำรานะเรียกเรียนลัคณาที่จะตุกกะแต่และอย่างนีมี4ี่องค์ประกอบ4อย่างที่ต้องเรียน หตัวมันมีลักษณะอย่างไรอันที่สองมันทําหน้าที่อะไรอันที่สมันทําหน้าที่แล้วมีผลเป็นยังไงอันที่4อะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดเขาเรียน4อย่างของ72สภาวธรรมที่พวกเราไม่ได้เรียนอย่างปริยัติเราเรียนโดยการดูของจริงเอาก็ได้เสร็จแล้วมันไปลงกันแหละมีแต่นักปฏิบัติเรียนแล้วพูดไม่เป็นเรียกไม่ถูกเท่านั้นแหละนักปริยัติเรียกถูกแต่ไม่รู้ไปเรียกตัวอะไรเพราะไม่เคยเห็นตัวมันถ้า ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติได้นะดีนะปริยัติก็มีประโยชน์อย่างน้อยไม่ทำให้เรานอกลู่นอกทางนั่งสมาธิไปเห็นนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองอะไรเงี้ยถ้าเรียนปริยัติแล้วก็ไม่เอาหรอกอวันนี้ได้แค่นี้นะโยมยวขอคุยกับพระหนะ่อยเชิญโยมกลับบ้านไปใครมีปัญหาอะไรสงสัยนู้นไปถามพวกพระของหลวงพ่อนะนี่ฟังมานานแล้ว